หลายปีก่อนได้บิณฑบาตนะอยู่ที่บ้านตาดเินทองเป็นประจำเนะพราะช่วงนั้นอยู่วัดปามหาวันก็คุ้นเคยกับเด็กชายคนหนึ่งนะอายุมาสักสิขวบเพราะว่าบางวันก็มาช่วยแม่นะใส่บาตรมีวันนึงเนี่ยตอนเป็นช่วงปิดเทอมนะพระก็เดินบิณฑบาตเด็กคนนี้ก็ เดินตามคล้ายๆเป็นเด็กวัดนะช่วยสะพายย่ามเพราะว่าชาวบางที่บางตานี่ถวายของเยอะเด็กก็มาช่วยพระนะสะพายย่ามแล้วก็พอเดินกันไปในหมู่บ้านนะก็มีเพื่อนๆนะวัยเดียวกันเนี่ยก็มาพูดล้อเด็กก็คงจะ รู้สึกอายนะวันรุ่งขึ้นก็ไม่มาเดินตามพระบินทบาทเหมือนเคยนะก็เลยถามเหตุผลนะเด็กก็บอกว่าเนี่ยโดนเพื่อนล้อก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยไอ้ที่เราเดินตามพระบินทบาทนี่มันเป็นของดีนะเป็นความดีนะได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรภาคภูมิใจ ใครเขาจะพูดยังไรก็ช่างเขาอย่าไปหวั่นไหวว่าเราทาความดีในะสิ่งที่เด็กให้หผลนะเหตุผลของเด็กเนะี่ยคือว่ากลัวเพื่อนล้อเนี่ยทั้งที่ตัวเองทำความดีเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลนะที่หลายคนใช้กันนะทำให้ไม่ค่อยกล้าทำความดีอย่างเด็กๆ เ, เนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ย นั่งอยู่บนรถเมล์หรือรถไฟฟ้ามีคนแก่มีคนท้องขึ้นมาไม่มีที่นั่งนั่นเด็กก็ลุกขึ้นแล้วก็ให้ที่นั่งนะกับคนแก่หรือว่าผู้หญิงท้องเพราะเขาโดนเพื่อนล้อตอนหลังก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะแสดงน้ำใจ ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนมันเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะกลัวการทำความดีมันมีพาสิตนะที่สมัยก่อนเนี่ยจะมาได้ยินบ่อยนะเป็นพาสิตหรือว่าเป็นกรอนของหลวงวิจิตรการแล้วมักจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆนะทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย บางทีพ่อแม่ก็พูดกับลูกบางทีครูก็สอนลูกศิษย์อันนี้มันก็มีผลนะกลายเป็นคตินิยมไปในหมู่ผู้คนว่าเนี่ยทำดีนี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเด่นกว่าคนอื่นเดี๋ยวจะเดือดร้อนที่จริงภาศินี่มันก็อาจจะสะท้อนถึงวัฒนธรรม ของคนไทยนะในช่วงนั้นหรือว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือว่าใครที่ทำความดีนะถ้าเด่นก็จะถูกนะค่อนขอดนะภาษาสำนวนสมัยก่อ น, นว่าเหม็นหน้านะหรื อ, อ, อว่าอิจฉาไอความคิดอย่างนี้หรือค่านยิยมแบบนี้มันทำให้ คนไทยจะไม่น้อยเลยเนี่ยไม่กล้าทำความดีเลยเพราะความดีที่คนอื่นไม่ค่อยได้ทำกันพอทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนค่อนขอดมีคนล้ออย่างเบาก็ล้อนะหนักหน่อยก็ค่อนขอดนะหรือว่าบางทีก็นินทารับหลังจริงๆคนทำความดีคนจะภูมิใจในคนที่ อคอนคอร์ดหยอกล้อเนี่ยนะควรจะอับอายมากกว่าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำความดีแล้วยังไปว่าเขาอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ีกับกเรื่องธรรมดาใครเด่นไม่ว่าจะเด่นเพราะทำความดีหรือว่าเพราะแล้วก็ตามนี้ก็จ ะ, ะถูกนินทาไม่ได้มีความยินดีหรือมุทิตาเจ็ดด้วย ม่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเวลาทำความดีหลายอย่างเนี่ยคนน่าสรรเสริญมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกลับค่อนขอต่อว่าเมื่อ40ิปีก่อนเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งนะชื่อสอนกล้าศึกนะอยู่เถวโนนสเลาผู้เขียวเนี่ยวันดีคืนดีแกก็เกิดนะตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ แล้วแกก็เริ่มปลูกต้นไมนะ้เริ่มจากที่วัดก่อนนะวัดในหมู่บ้านวัดในหมู่บ้านเนี่ยถางถนะางต้นไม้ตอนหลังแกเห็นว่าโอ้ยมีต้นไม้เนี่ยดีมันให้ร่มเงาแกก็ปลูกนะปลูกคนเดียวดูแลด้วยนะแล้วก็ทําทำทุกวันถือว่าเป็นการทําบุญแกบอกว่าเนี่ย ต้นไม้คืออาจารย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เจ้านี่ตัดสรู้ต้ต้นไ ม, ไม้ก็เลยปลูกต้นไม้ใหญ่เลยแล้วตอนหลังเนี่ยพอวันนี้ลมคลืมแล้ว ก, ก็ไปปลูกตามที่สาธารณะชาวบ้านแทนที่จะสรรเสริญนะว่าโอ้แกเสียสละกลับหาว่าแกเป็นผีบ้าแต่ว่าลุงสอนนี่แกดีอย่างนนะแกไม่หวั่นไหวแกมั่นคง ก็ปลูกไปเรื่อยๆใครจะว่าแกผีบ้าก็ไม่สนใจปลูกต้นไม้ตามที่สารณาสาธารณะป่าชา้าหรือว่าตามริมสักใครจะว่าผีบ้าก็ไม่สนใจถ้าเป็นคนเื่นเนี่ยก็จะหวันหว่นไหวก็จะเลิกไปนะเกิดความรู้สึกเนี่ยทําดีแล้วไม่ได้ดีหรือว่าเกิดอาการกลัวทําดีขึ้นมา ไล่ไกับลุงสอนนะก็มีตำรวจคนหนึ่งนะดาบตำรวจวิชัยนะอันนี้อยู่ถาปรางกูศีสกเกตกระจัยตรงกันนะถึงแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนปลูกต้นไม้ก่อนทำงานหรือว่าเลิกงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอาเม็ดพันไปปลูกตามริมถนนโดยเฉพาะต้นปาอ่ต้นต้นตาลเพราะว่ามีประโยชน์ ชาวบ้านก็นเหมือนกันนะหาว่าดักไว้วิชาเนี่ยผีบ้าข้อหาเดียวกันเลยนะกับที่หลวงสอนเจอเนะี่ยผีบ้าแต่แกไม่สนใจก็ทำไปนะพ่อเห็นว่าทำดีเนะี่ยเป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีเป็นเรื่องที่ควรจะภาคภูมิใจ ก, ก็ทำทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนเที่ยวไม่เที่ยวนะเราก็ไม่กินปลูกต้นไม้อย่างเดียวเลยจนทุกวันนี้เนี่ยปรางกูเนี่ยนะเขียวร่มครึม ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากต้นตาลแต่กว่าชาวบ้านที่จะนุโมทนานี่ก็ใช้เวลานานและสองคนนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่กล้าทำดีนะอ้ผู้บ้านเนี่ยจะขอเป็นผีบ้าปลูกต้นไม้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ว่าคนที่กล้าทำดีเนี่ยมีน้อยนะในส่งมไทยส่วนใหญ่กลัวทำดีนะโดยเพราะ การทําความดีที่บางครั้งเนี่ยมันทวนกระแสอย่างที่นี่เจ้าที่หรือข้าราชการเนี่ยที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยจะทํากันได้จะต้องใช้ความกล้านะเพราะว่ารอบตัวนี่ก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์สุจริตเท่าไหร่ไม่ว่าจะในหน่วยงานราชการหรือในอบต อ, อบจอเนี่ยอย่างนี้คนที่จะทําความดีคือซื่อสัตย์สุจริตนี้ต้องอาศัยความกล้านะ ไม่งั้นเนี่ยจะกลัวเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นนี่เขาไม่ทำนัินทำตรงข้ามด้ยซ้ำนะเกิดความ เ, าเรียกว่าเกิดอาการประเภทว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีอย่างนี้การทำชั่วนี่เป็นเรื่องที่คนนี่ทำกันอย่างง่ายดายนะนะไม่กลัวบาปกรรมอะไรไม่จะเป็นการทุจริตการคอร์รัปชัน แล้วมักจะให้ผลว่าเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันอันนี้เป็นเหตุผลที่มักจะยินได้ยินนะใครๆเขาก็ทำกันคือใครๆเขาก็ทุจริต ก, กันใครๆเขาก็โกงกันนะก็เลยทำกันใหญ่เลยกลายเปว่าเกิดข่านิยมกล้าทาชั่วกลัวทาดีที่จริงเนี่ยมันต้องควรจะเป็นตรงข้ามนะก็คือว่ากล้าทำดีนะแต่ว่าหนีความชั่วหนีความชั่วอะไรเพราะกลัว มีหเหรอโอตปานะละอายบาปแล้วกลัวบาปนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันตรงข้ามนะแทนที่จะกล้าทําดีหนีความชั่วกับตรงข้ามนะคือกล้าทําชั่วกลัวทําดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะทําดีนี่ต้องมีความภาคภูมิใจมีความกล้าแม้ว่าคนอื่นเขจะไม่ทํำนะแต่เราทําแล้วไม่สนใจนะ สายตาหรือคำพูดของคนอื่งเขาไม่งั้นเนี่ยก็จะท้อแท้หวั่นไหวนะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทำดีนี่กลัวนะแต่ทำชั่วนี่ทากล้านะแล้วก็บางทีก็คุยอวดนะว่าเนี่ยไปคอร์รัปชันที่ไหนมาไปทุจริตที่ไหนมาบางทีก็แสดงแสดงด้วยข้าของราคาแพงๆนาฬิการาคาหลายแสนนะรถราคาหลายล้าน เพื่อบองบอกเป็นนายว่าเนี่ยเป็นพ่อกล้านะที่จะทุจริตค อ, อร์รัปชันเนี่ยอันนี้ต้องฝึกเอาไว้นะนกล้าทำดีและหนีความชั่วเนี่ยเพื่อทวนกระแสนะกล้าทำชั่วกลัวทำดีนะที่มันกลายเป็นข่านนิยมเป็นละ